หอะไรหายไปความมืดสองอะไรเกิดขึ้นแสงสว่างสามเกิดอะไรตามองเห็นขนาดทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละขนาดหรืขนาดเดียวกันขนาดแห่งความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏและตาเห็นคนละขนาดหรืขนาดเดียวกันคําตอบให้เหมือนกันละขณะดเราลูกขึ้น ความหนักหายไปความเบาเกิดขึ้นและความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเป็นคุณละขนาดในขณะเดียวกัน <c oughs> นาเดียวกัน <c oughs> คือว่าการเกิดกับการดับมันขณะเดียวกันหรือคนละขนาดแต่แต่มันไวมากใช่ไหมอันนี้คือที่เรียกว่าเห็นการเกิดดับถ้าเราใครดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือปัญญาเกิดเรื่อยๆ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 นะมีวิบากกรรมมันมากับความคิดถ้าคน่มีวิบากกรรมน้อยก็จะคิดน้อยคนมีวิบากกรรมมากก็จะคิดมากนะอดอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดต้งหาเรื่องคิดเพนะราะ ม, มีวิบากนะเราก็ทำไปเรื่อยๆตัดวิบากไปเรื่อยๆเอาความรู้นี่มาตัดตัดตัดัง น, นั้นการทาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดวิบากกรรมเก่าใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆ